أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسن ا إليهم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สะสานาที Allah س ب ح ا ว ه وتعالى ประทานให้มนุษย์ชาดเป็นสูตรที่ครบถ้วนมนุษย์ไม่ต้องคนคิดไม่ต้องค้นหาไม่ต้องศึกษาไม่ต้องไม่ต้องศึกษาไม่ทว่าไม่ต้องประดิษฐ์ประดิษฐ์ขึ้นมา ไม่เหมือนสิ่งอื่นที่ a ลล่ h ให้มาเรามาพ บ, พบประโยชน์ของมันด้วยการค้นหาน้ำมันน้ำมันรถเมื่อพันกว่าปีชาวบ้านเขารู้ไหมว่าไอ้น้ำมันเนี่ยมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้เครื่องยน ที่จะเป็นป่าอ น, ะนาื่อนไหวแทนแทนประสุสัตว์เนี่ยชาวบา้านเขารู้ไหมไม่รู้แต่แต่น้ำมันเนี่ยมันมีอยู่มานานแล้วใช่ไหมว่าหรือพิ่งเพิ่งมีมั น, มมนมอยู่มานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมีมีมีอยู่มานานแล้วแต่มนุษย์เนี่ยคนคิดศึกษา ฉะนั้นความสมบูรณ์ของเนีมาที่ Allah ให้มาในความปรดปรานที่ Allah ให้มากับสิ่งที่เราจะต้องลงทุนค้นคิดกับสิ่งที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเราแค่เอามาใช้อย่างเดียวอันไหนดีกว่าแน่นอนที่เอามาใช้ أ و م َ ش َ ي ْ ت َ ن ْ ت ِ ي ل د ي ْ ا ل ل ه ُ بَعْنَهُ وَدَعَالَ ذِينَ พ ُوْثْةَ الْعِرْسَنَةَ ن ِ ي َّ ك م و ت لكم د ي ن ك م و ا ت ل ي م ن ع م ت ي و و ض ي ت ل ك ي ا ل َ س ل ا ل د ي َ و م َ و أ ن ت ِ ا ل ل ه ُ ب ح ع ن َ ه و ت ع ا ل ى ذ ي ن ب ر د َ ن คำสั่งสอรค์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยอัตมัมตัวอะไรอัตมัมตัตเต็มเตะมามแปลว่าแปลว่าเต็มนะคล้ใครกันไหมภาษไทยกับภาษาอับเต็มอ่ะนะก็แปลว่าเต็มเต็มแปลว่าสมบูรณ์อับนี่เวลาเวลาเขาถูกถามว่าไงเขาบอกาต็มเต็มอ่ะโอเค แต่มั่มวาที่อินเดียเขาก็ใชยกันนะแต่มํามแมัสมเมาับอตมัมตูอลไลคุมลาบะวะข้าให้เนื้อมาของของข้าต่อพวกเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แล้วเหนีวมัธยีบลิติตของสิ่งที่มันสมบูรณ์แล้ว ที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺประทาลเน่มาที่ให้กับเราแล้วคือต้องรักษามันลงทุนในการรักษามันไม่ใช่ลงทุนในการค้นคิดประยุกต์ประดาประดาเพราะมันสมบูรณ์แล้วยกตัวอย่างง่ายๆเราเกิดมาเนี่ยเราให้มามีพ่อแม่ใช่ไหม อืมมีพ่อแม่โม่มาไม่มาหยายอยม่เลมีแต่บอกับแม่ได้ใช่ไหย ม, มีใครบอกว่าเอ้ยพ่อแม่ไม่พออยากมีอีกสมบูรณ์แล้วแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกไหมพ่อฉันไม่สวยน่าจะเป็นแบบแม่ฉันอาจจะเป็นแบบนี้ Allah ให้มาแบบนี้แล้วขอให้พ่อแม่เราเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะรักพ่อแมแ่หน้าที่ของเรากับพ่อแม่นี่คือรักษาไม่ใช่ไม่ใช่มามาเพิ่มมาเพิ่มอะไรให้พ่อพ่อแม่นี่ยความเป็นพ่อเนี่ยสมบูรณ์แล้วสําหรับสําหรับสถานะนะตําแหน่งกับพ่อกับลูกเนี่ยเราจะไม่เพิ่มอะไรดีกว่าความเป็นพ่อ ไม่เพิ่มอะไรดีกว่าความเป็นแม่มากกว่าที่อัลละให้ไปแล้วขอให้พ่อเนี่ยเป็นเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะในสายตาของลูกนะก็เป็นพ่อการกระดันอยู่ต่อพ่อมันจะไม่เพิ่มมากขึ้นถ้าพ่อนี่เป็นนายกถ้าพ่อเป็นสตรีลูกก็ต้องกระดันอยู่ต่อพ่อแม่ แม้ว่าพ่อแม่จะเป็นคนรวยหรือจะเป็นคนจนก็จะต้องทำหน้าที่รักษารักษาน ม, มานี่ยนมาที่ Allah ให้มาไนี่ให้พ่อแม่รักษาอย่างไงศา ส, ะสะนาอิสลามเนี่ยไม่ใช่เชื้อเพลิงไม่ใช่พลังงานไม่ใช่ w i f ฟไม่ใช่ไอโฟนสิบสองมี อยากได้ไหมศา ส, สนาคืออะไรสรุปไม่ง่ายศา ส, สนาก็คือคาสั่งสอนมีอุลามาท่านหนึ่งชื่อเชัมงมุ h a m m a มุเตวิลเลาะห์อัลลอฮชอบจะ จ, ะ จ, ะจะนิยามนิยามกุรานนิยามคํ an, าคสั่งสอนนิยามศาสนาเนีย่งยง่ายๆให้คนเข้าใจง่ายบอกว่าศาสนาคืออะไรอิฟ้าลวัลลาต์ฟาลจงทํา ตรงอย่าทําศาสนานี่มีแค่นี้เพราะวิในศาสนาอันนี้ก็กำเนเรื่องความเชื่อเชื่อเชื่อเรื่องนี้เรื่องนี้อย่าเชื่อฮะเรื่ปฏิบัติอ่ะเรื่องนี้ทำละมาดเรื่องนี้เล่าอย่ากินใชศาสนามีสออย่างทำและอย่าทำเรื่นงการรักษาศาสนาเนี่ย การรักษาเนี่ยมะคือศาสนาที่อัลลอ์ให้มาเนี่ยอธิบายง่ายๆนะครับก็คือการรักษาคำสั่งสอนของพระเจ้าภูมิใจไหมว่ามีศาสนาภูมิใจว่ามีอิสลามภูมิใจแลวอยากจะแสดงความภูมิใจยังไงอะดูดูจะซื่อ เราจะซื้อโต๊บสักสองสามร้อยสองสมพันแล้วก็สรบันสักสองส0มมืนแล้วก็แล้วก็ใส่ชุดให้มันวร์รนี่เนะี่ยให้คนรู้นี่ว่าไอ้นี่มุสลิมไม่ธรรมดานะปุ้ยแบบนี้เราก็ชูศา ส, สนาด้วยการแต่งกายให้มันดูหรูฮะราอว่า ด, ด, ดูนี่เราจะให้ดูมุสลิมจะขับเบ้นให้ดูและศาสนามันจะขึ้นนะ ศา ส, สนาจะแข็งแรงพอมีมุสลิมขับเบ้นเยอะนะศา ส, สนาจะสุดยอดเพอาะมุสลิมสร้างบ้านใหญ่โตพอเลี้ยงทีหนึ่งพอเลี้ยงล้มบัวบตัวสองตัวสามตัวศา ส, สนาจะจะสุดยอดเลยไม่ใช่เราอยากจะทำอะไร ขอบคุณอัลลอฮ์ในศาสนานี่ก็คือรักษาศาสนาด้วยการรักษาคําสั่งสอนแล้วแป่งนะในคุรานเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องการอะไรเลยเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยกับเรานะในเรื่องศาสนานอกจากว่ารักษาไม่มีต้นทุนดะ้วยนะหมายถึงว่าเรามีแค่ไหนแคแค่นั้น คนน र, ас ас ี้ไม่มีเงินจะออกอากาศถือว่าไม่ได้รักษาศาสนาเหรออะคนน न, ас ас ี้ไม่มีเงินจะทำกุลบัตน่ยถือว่าไม่ได้รักษาศาสนาเหรอล่าบางทีเนี่ยคนจนเนี่รักษาศาสนามากกว่าคนรวยที่เขาอาจจะบริจาคมากกว่าอาจจะแต่ในการรักษาผดุงรักษาปกป้องศาสนาอาจจะมีบทบาทมากกว่า <laughs> คนที่มี แทนะดันวัดละลัทธิพระนารายณ์เราเทวดคนที่รักศาสนาไม่ได้วัดที่ใครจ่ายมากกว่าใครวัดที่ใครที่เชื่อฟังเชื่อฟังคําสั่งสอนมากกว่า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 ในการรักษาหลักการศสนาไม่ได้วัดที่ความหล่อการใส่เสื้อผ้าสวยงามนบีบอกว่าอินลอฮ์ละยัดูอิลสวรริุมลอิละจซามิุมไม่ใว่าคนนี้คนนี้ตัวใหญ่ตัวคนนี้หล่อกว่าได้ผละบุญมากกว่าไม่เวากระเงีอิละ อลุบีกุมว่าทำอะไรกุมมันละมองหัวใจของพวกเจ้าแล้วก็มำล์มำล์ของพวกเจ้าแสดงว่างานที่จะให้ให้ถือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รักษาศาสนาเนี่ยเนื้อหาของงานนี่คือเรื่องเชื่อฟังเชื่อฟังองค์กละรัศวนยกตัวอย่าง เรานั่งอยู่กันที่นี่สักสิบห้านาทีสิบ้ายี่สิบคนนะแล้วก็มีพี่น้องคนหนึ่งเป็นนั่งหันหลังไม่ไม่ไม่ฟังผมผมก็บอกว่านี่ไฟชุดแล้วรีบออกออกจากห้องเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะไฟไหมพวกเราก็ฟังผมแล้วก็ออกแล้วก็มีค น, นึ่งที่เขานั่งหันหลังอยู่เนเล่นเกมอะไรกันไยนะ่ะไม่ไม่ไม่สนใจ เขาก็เลยไม่ฟังเราก็เห็นเขาเออกก็เดินไปหาเขาบอกว่าเอา้าทำไมไม่ออกล่ะเขอผมผมไม่ได้ยินที่จริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินจริงแต่เขาบกพร่องไหมบกพร่องบกพร่องที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้หันมาเออเขาขวาะไรกันเขาพูดอะไรกันอัลลอฮ์มีคําสั่งสอน อัลลอฮ์สั่งว่าตรงทำแล้วก็ตรงอย่าทำฮะถ้า ม, มีคนเกาสิ่งเดียลเราสั่งให้ทําเขาก็ทําสิ่งเดียวเราห้ามเขาก็ไม่ทําแต่มีคนนี่ไม่ศึกษาออันนี้อันนี้แบบดีที่สุดนะหรือทําไม่รู้ไม่ชี้มีเขาสอนที่โน้นนะนะหยิบหยิบไปเรียนเลยหยิบหยรู้รู้เยอะไม่ดี ทำไม่รู้เยอะแล้วสวยดกูรู้กู ร, รู้ต้องกต้องปฏิบัติอย่ารู้เลยและพอถึงเวลาที่อัลลอฮ์จะสอบสวนแล้ว่ะนะออ AH ก็บอกว่าไม่รู้จริงๆอ่ะคนนี่ไม่รู้เนี่ยเลาก็ไม่เอาโทษแต่อัลลอก็จะสอบสวนว่าไอ้ที่ไม่รู้เนี่ยมีโอกาสที่จะรู้ แลวไม่รู้หรือไม่มีโอกาสเลยคนเกิดในป่าก็เกิดในปา่าในเกาะในอะไรแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเลยใช่แล้วก็บุกคร้องในเรื่องหลักการศาสนาเราก็จะสื่อเรื่องนี้แต่ไม่ใช่เปิดโหยมีทั้ง l ล n e ทั้งทั้งทั้งอินสตาแมทั้ง a ฟ e b o o k ทั้งอะไระมีทุกอย่างเลยสื่อสารในนี้หมดเลยนะ อรู้ไหมว่าเราสั่งให้ลรมาเราไม่รู้ที่ไหนเนี่ยใครบอกก็ไ่มีไม่ไมีอันนี้เป็ น, ป น, ปนไปไม่ได้ใช่ไหมเ ป, เ, ปเป็นไไม่ได้วันเกียมาเราก็จะถูกสืบแบบนี้ฉะนั้นหน้าที่ของเราจะได้รักษาปกป้องศาสนาเนี่ยต้องมาสืบว่าแล้วเราศึกษาคำสั่งสอนครบถ้วนสมบูรณ์เรียง เอาอะไรมาวัดจเจ้าอะไรมาวัดนะผมชอบยกตัวอย่างง่ายๆนะจะได้รู้ว่าเราบุกร่องหรือไม่บุกร่องมาตรฐานที่จะวัดนะดูเรื่องของโลกเรื่องของสังคมเรื่องของคนเรื่องของกเกษตรเรื่องของบอลเรื่องของดารานะเรื่องของของกิน นามอดลมอะไรเงี้ยรู้นามอดลมรูกร้กรู้กีทีหรอะนักเตบนนะบอน่ะจำชื่อได้กี่คนเงนี้ยนะรายละเอียดนี่โอ้โหแม่นเลยนะละเอียดยิบเลยอ่าแล้วก็พอหลกักการศาสนาละ่ะเท่าเทียมกันไหมที่แฟที่สุดเนี่ยเออท่าเทียมกันไว เรารู้จักดารารู้จักนักเตะบอลสมมุติสมมุตินะครับรู้จักสักยี่สิบผมนี่มาราดดน่าคนหนึ่งละหนึ่งล้ะนี้สุดยอดของรุ่นผมเนี่นะก็คนนึงละสมมุติเรารู้จัยี่สิบคนรู้จักชื่อซาฮาบะสะกี่สิบคนไหมนบีสักยี่สิบนบีอ่าไม่ต้องซาฮาบะนบีเอาเอาแค่นบีนบีสะกี่สิบคน รู lives, ้จักเรียนถ้ารู้จักดารายีสิบคนแล้วกันนบีนี่จะอ๋อนบีมุฮัมมัดไงโอ้ยมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นอ่ะมีใครอ่ะมีมูซามีฮิซาเนีนั่นนะชื่อเพื่อนนั้นน่ะจะเก่งจำได้อะะเก่งจำได้อ่ะอ่า อิบราฮิมอ hey, ah. ๋อเหมาละอ้อ๋อนั่นแหละอิบราฮิมก็เหมาละแต่ไม่ม hi, ีใครเคาเดียกกันอิบราฮิมนะบานเาอะแต่อิบราฮิมนะไม่มีค่ะแต่อีสามูซานี่ก็พอพอพอพอนึกได้อิบรอฮิมอิบราอะไรอิบราฮิมอิบราฮิมอ๋อเหมาเหมาละเออื่อนบีทั้งนั้นนะนะแต่เราไม่คุ้นเคยอ่ะ ตัวดารานี่โอ้ชีวประวัติของดารานี่เกิดเมื่อไรตายที่ไหนแต่งงานใครแต่ง้แต่แต่งตัวยังไงใส่นี่นี่ไปใส่ไปซื้อรองเท้าทำไมอ่งดาราเพิ่งเห็นถ้าไม่เท่าแค่เอาแบบแฟร์ที่สุดนะไม่เท่าเทียมกันนั่นครับกครองเลยเรารู้รายละเอียดอะไรมากมาย ในโลกในสังคมในการทรมาหากินน่าดูเรื่องนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะมีบางคนเนี่ยช่วงเนี้ยมันเป็นแฟชั่นนะเรื่องโยคะรู้จักโยคะไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อรถนะโยคะนี่นั่งสมาธิ์นั่งสมาธิบางคนเนี่ยรู้ท่าโยोทะนะ ท่าของโยคนะน่ะท่าของโยคะเนี่ยมากกว่าสุนนทรบีในเรื่งละมานอ่ะ๋อท่าของโยคะเนี่ยมันต้องทําแบบนี้แล้วจะจะผ่อนคลายจะได้ไม่เครียดมงก็ต้องทําแบบต้องแบบนี้แล้วรู้ไหมละมีนะบาดละมายังไงเนี่ยรู้กลัวยังไงเนี่ยนี่พอเทียบแล้วแน่นอน เราจะเห็นความบกพร่องเราอยากได้มีความสุขในหลายด้านมีความสุขในเรื่องกินอาหารนกินอาาชอบกินอะไรกันอัไทยอะแกงมะสมปันะรู้สูตรแกงมะสมมัง อย่างละเอียดเลยแล้วกะทิตงั่วกบเครื่องในก่อนที่จะต้องรู้เคล็ดลวนี่เคล็ดลับอ่ะเพราะถ้าหากว่ามันก่อนนีนี่ดมันจะเปรี้ยวเกินรู้ไรเรียยิบเลยสูตรข้าวสวรรค์รู้ไหมเส้นทางแม่นกว่าโกเกนแมปอีกเส้นทาง เส้นทางไปซื้อของไปห้างนู่นไปห้างนี่ไปซื้อเรื่องนู้นเ อ, อแม่นกว่าก็กันแมพบูจักกันมามมันอะไรที่มันนำทางไปอะทางไปสวรรค์นนะรู้ไหมพอมาเทียบเราก็จะเห็นภาพว่า เ, ออเราเราได้ทา <c oughs> ทาหน้าที่รักษาเนี่ยมา ศาสนาที่ Allah ให้ให้มาเท่าที่ควรหรือยังในหลายกรณีกรณีที่สังคมมุสลิมอยู่ในภาวะสงครามในกรณีที่สังคมไม่อยู่ในภาวะสงครามในคุรานก็มีหลายอายะที่พูดถึงเรื่องเนี้เรื่องเชื่อฟังลอละละส่วน เรื่องเชื่อฟังอัลลอฮฺเราซูลนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าขอาครับครับเลาสั่งเราซูลครับครับไม่ใช่อย่างที่ผมได้ได้อธิบายตั้งแต่ต้นเนี่ยการเชื่อฟังอัลลอฮฺเราซูลนี่หมายถึงว่าการปกป้องรักษาศาสนาทั้งทีการที่เราน้อมรับคําสั่งของอัลลอฮฺน้อมรับคําสั่งของเราซูล ข้อห้ามรู้แล้วแล้วก็พยายามเคร่งครัดในการปฏิบัติข้อห้ามนี่เท่ากับเรากำลังปกป้องศาสนาของอนมะไม่มีประโยชน์นะพวกพิธีพวกเครื่องประดับประดาอะไรภายนอกเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้ในวันเกี้ยมา เราจะแต่งตัวใส่โต๊บวสวยๆหมวกสวย ๆ, ๆจะทำอะไรที่เราเข้าใจเองนะเพราว่ามันเป็นการปกป้องศาสนาเช่นคนบางคนเนี่ยช่วยงานสุราห น, นี้สักสิทธิสุดงานสุรานี้ไม่ได้เลยนะต้องช่วยปีละครั้งเนี่ยขอให ย, ยังจะเป็นจะตายนี่ต้องไปช่วยฮะแล้วก็อย่าลืมซื้อกระถิงแดงซื้อกัญชาซื้ออะไรนี่นีมันด้วยเนะมันจะได้อ่เต็ม <emergen> ท <optic> ี่แล้วก็ทั้งคืนเละแกงกันทั้งคืนนะะแล้วก็ฟัดกันทั้งคืนซดกันทั้งคืนอันี้เขาเรียกว่าช่วยศาสนาเง้นนะแล้วพอไปหาทูหันโนนเกียมาทําอะไรอ่ะ คือนั่นลองกุญแจศาสนาช่วยศายนานี่คือเราเข้าใจเองไงนะว่าช่วยงานสู่เราก็คือไปทําแกงไปช่วยแกงไปช่วยทําน้ําชาเด็กน้ําชากุศลเไปช่วยชงน้ําชาชเราคิดเอาเองไงนี่คือช่วยศาสแต่คําสั่งสอนศาสนานี่มันไม่ไดีอยู่ตรงนั้นนะ เ, เราจะทําอะไรก็ทําแต่คําสั่งสอนศาสนานี่ยทิ้ง เราจะช่วยงานสุรานี่อย่าสูบุรี่อย่าดุกันชา้าเพราะมันเป็นบาปถ้เราจะเอาอาจจะเอามาอ้างอะนะสุราบางที่นี่เอาเอาเงินสุรานี่ไปเบิกดยนะไปเบิกกระิ่งแดงเบิกบุหรี่นี่ทำไมอะช่วยช่วยช่วย่วยวแจกคนที่มาช่วยงานงานสุราแล้วมันแล้วมันจะได้เหรอ อย่าเอาเรื่องความเข้าใจของตัวเองนะบอกว่าหน้าที่ของเรานี่ต้องศึกษาคำสั่งสอนไปหา Allah. อัลลอฮ์าอัลล์เพราะองค์สั่งให้ฉันทำอะไรฉันอยากจะรู้เราอย่าจะมานั่งเดากันเององน่าอน่าจะอยากจะให้เราทำแบบนี้นะอดทึทำไมทำทำไมทาน่าจะน่าจะดีนะ คงจะดีโอ้ยถ้าไม่ดีคนก็าไปทากันเราทากันตั้งบางอะ่ะตู่่าตายายก็ทำกันนี่นี่ที่ที่สมากเขาอ้างกันแ่ะนะปู่ย่าตายายทคนก็ทากันทั้งทั้งโลกปย่พวกก็กรทํากันัานีทำกันเยอะถามาจริงปู่ย่าตายายย า, ายายานี่คือคือคาสั่งสอนของทุหันเนะและและที่มักกะมัดิน่าเนี่ย เป็นคำสั่งของตุคันนะก็ไม่ใช่เราต้องพยายามตรวจสอบตัวเองให้ดีแม้กระทั่งในายามสงครามยามที่มันรุนแรงที่สุดนะอัลลอฮสุบฮานาอูวาดะลก็จะเน้นเรื่องนี้หลังจากที่อัลลาฮได้พูดถึงมารยาทในการทำสงครามที่เราอธิบายไปแล้ว ه ذ ا ل أ ن ي ك ة هي การ ينير لكن رملت الله سبحانه وتعالى وأطيع و الله ا ورسوله لا تنزع ا و ا فتفشل وتذهب ا و ر ي ح ك م و ا ص ب ر و ا إن الله مع الصابرين. لم ج شاف الله ا أطيع الله. لم شاف الله ورسوله ل رسولكم فقومت شاف الله ก็ในคำสั่งของอัลลอฮ์นี่ในคุรานเชื่อว่ารุสูลถ้ามุสูสลมีชีวิตอยู่นะอันนสุร์อัลฮชรนอุมะตาคุมอัลรัสูลฟัฮุซูฮฺอุมานะฮะกุมานูฟันตะสูลัสั่งอะไรไว้ให้ทาห้ามอะไรไว้ให้ให้เลิกอละท่านบีไม่มีชีวิตละท่านอบบีเสียไปแล้ว ในชีวิตไปแล้วว่าฝาดไปแล้วเราจะเชื่อฟังรอสูลยังไงนมีมีพวกกลุ่มเขาเรียกเาเรียกตัวเองพวงกกุรอานียุนนะเพราะว่าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์อย่างเดียวรสัสูเราเราไม่เอาทำไมอ่ะก็ไม่มีเรื่องกรัสูไม่มีแล้วกไม่มไเชื่อฟังกัน คำตอบในเวลาโตวพวนะ้พวกเนี่ยนะพวกนี้มีในสังคมเราก็มีเพราะว่าเชื่อฟังคุตตานใช่ไหมใช่แล้วคุตตานนี่ถาวรตลอดการใช่ไหมใช่และวอัลลอสุบฮานะหัวดาความรู้ของพระองค์เนี่ยเป็นความรู้ที่นิรันดรใช่ไหมเป็นความรู้ที่ยาวนานใช่ไหมใช่และวอัลลอฮฺสุบฮานะหัวดาล่ะ ทรงรู้หรือเปล่าว่าท่านนบีจะเสียชีวิตอัลลอฮ์รู้และถ้าอัลลอฮ์รู้และจะให้เราเชื่อฟังอวามล่ออย่างเดียวถ้านบีเสียชีวิตทำไมในคุรานทุกอายทุกอายะเลยนะที่อัลลอฮ์ให้เชื่อฟังอัลลอฮ์มรซุลนี่ยไม่มีข้อแบ่จงเชื่อฟังอัลลอฮ์มรซุลถ้ามีชีวิตสักยัน ให้มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้สแสดงว่าเชื่อฟังอัลลอฮฺเรซูลโดยไม่มีข้อแม้เชื่อฟังในชีวิตของท่านแล้วก็หลังจากชีวิตของท่านที่จริงหลังจากที่น บ, บีเสียชีวิตนะมันอาจจะมีมันอาจจะเกิดโอกาส ที่คำสั่งสอนของท่านนาบีสโลโลสัลลัมที่สั่งไว้ตอนที่ท่านมีชีวิตเนี่ยจะถูกลืมไปเหมือนคําสั่งสอนของบรรดานบีรอซูลทั้งหลายคำสอนคำสอนของนบีมูซาของนบีซัลพอเสียชีวิตแล้วสาวกคนเนี่ยเขาก็จําคําพีเด่งเดียวจดคําพีอย่างเดียวแต่มันเป็น มัมันเป็นมหาสัจัรรพิสูจน์พิสูจน์ศัจธรรมของกุอานว่าอัลลอฮฺพูดถึงการเชื่อฟังอัลลอฮร ر ซูลยุ่ง ม, มากในกุอานยุ่ง ม, มากโดยไม่มีข้อแม่นะแต่ข้อนบีเสียชีวิตแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำสั่งสอนของท่านนาบีถูกทายทอดมาเป๊เ ป, เ ป, เป๊เป๊ะเป๊เลยอะเหมือนนบีมีชีวิตอยู่อะจึงจึงไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยว่าจองเชื่อฟังอัลลอฮ์และรรสูนของพราสำหรับเรานี่ไม่มีรสูนไม่มีตัวตนแล้ว มีสุน na ของเราโซนนี้ยังอยู่และทุกวันนี้เนี่ยเช็คเช่นดีเราอ่านกูอ่านลก็รายงานกูอ่านเป็นอิสนาตั้งแต่สมัยนบียังนันวันนี้นะเราก็รายงานสุน na ของท่านนบีตั้งแต่สมัยนบีคืงวันนี้ทุกอย่างนบีละมาอย่างไงนบีเริ่องต้นจากความเชื่อนบีเชื่ออย่างไงอัคีดาของนบีนี่ยังไง นบีละหมาดแบบไหนถือสิญอดยังไงนบีปะกาศยังไงคุกคําสั่งสอนที่นบีสอนไว้ถูกราย ง, งานไว้อย่างละเอียดทีถ้วนจึงไม่มีข้ออ้างนะครับเดี๋ยว จ, จ, จะเชื่อฟังระดูยังไงไม่มีมีแล้วทุกวันนี้เนี่ยนีผ่านไปแล้วเนี่ยพันห้าร้อยปีพัน สี่ร้อยสี่สิบปีสี่ร้อยพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยหกสิบกว่าปีละจากจาการเริ่มต้นที่สนาของนาบีนะพันสี่ร้อยสี่สิบสองเนี่ยอันนี้ฮิจราชนะ่หฮิจรัชแต่นาบีเริ่มที่สนาก่อนนั้นอีกสิบสามปี อาบวกไปเลยแสดงว่าอะไรนะห้าสิบห้าพันรอพันสี่ร้อยห้าสิบห้าปีจากการเริ่มการเทศนาการเผยแผ่ของท่านนาบีสลุล่านลออุลาวะัลลัมนบีพูดอะไรไว้แม้กระทั่งในลมาตนาบีกอดอกยังไงนบี ตอนรูกลัวเนี่ยมือนบีนวางไว้ตรงไหนตอนนั่งระหว่างสุญูดสองสุญูดนี่นบีวางมื อ, อยังไงตอนตะฮียาที่นบียังไงชีนิ้วยังไงละเอียดทิพเลยละเอียดมากเลยในายามสงครามนาบีทำสงครามยังไงมารยาทนาบีในการทำสงครามยังไง รวมถึงเรื่องการแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยซึ่งเป็นเนื้อหาของสุรตหลังแฟลที่เรากำลังอธิบายนบีปกครองยังไงพี่ภาคษาอย่างไงพยานที่จะมาให้การต่อหน้าผู้พิภาคษาต้องให้พยานยังไงทั้งหมดนินเีให้รายละเอียดหมดเลย <c oughs> แต่ กาเชื่อฟังอัลลอฮ์นบีอัลลอวาจงเชื่อฟังอัลลอ์นีอัลลอฮ์ของเราเชื่อฟังอัลลอฮ์นบีอัลลเนี่ยให้มีเนื้อหาว่าเราไปดูในคุรานในสุนนะของท่านนบีอัลลอฮ์นบีสั่งไว้อย่างไงเราก็เอามาทำเราห้ามไว้ย่งไงเราก็เลิกมันแค่นี้ลหะ ไม่ใช่อันนี้คือความหมายที่มันเบสิกความหมายที่มั น, นพื้นๆนะนพื้นๆแต่ความหมายที่มันกว้างขวางกว่านี้แล้วลึกซึ้งกว่านี้เชื่อฟังอัลลอฮฺเราซูลีหมายถึงว่าชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยต้องเอาคำสั่งของอัลลอฮฺเราซูลีมาเป็นบรรทัดฐานเราคิดยังไงเราชอบอะไร นิยมอะไรเรามีตะ ก, กะในการที่จะวิเคราะห์ปัญหายัางไงเราชั่งน้ำหนักเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีเนี่ยชั่งยังไงมีทั้งหมดนี่นะก็ต้องเรื่องเพาทำไมอะเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้มันจะมีมาตรฐานสากลที่มันสวนทางกับมาตรฐานของอัลลอและมุสลิมยกตัวอย่าง จะช่างเราเรียนละเราเรียนจบละจะทำงานสมัครงานไม่มีคำสั่งสอนแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปสมัครที่ไหนไว้เรามีคนก็จสนไปสมัครที่นี่ก็สมัครที่นี่ที่นี่เงินเดือนแสนหนึง แล้วก็โอ้สนุกสาวก็เยอะแล้วก็ทุกเรื่องดุญญนยาเนี่เต็มที่เลยอะ่ะมีเครื่องรงกาแฟให้ชงตลอดเวลาลฟรีเลย อ, อีกที่หนึ่งอะ่ะเงินเดือนหมืน่นสองหมืน่นไม่มีอะไรเลยกาแฟรนะับไปกินเองเ ข, ขาแยกหญิงชายโอ้ ไม่เห็นไม่เห็นหน้าใครเลยแล้วถึงเวลาละหมาดโอ้จงเปละหมาดสำหรับคนที่เขาจะมีมาตรฐานช่างสากลของเขาเขาก็ถ้าจะช่างอ่ะเรียกเรียกอันไหนอ่ะไปสมัครที่ไหนอ่ะแน่นอนและมีเยอะด้วย เยอะมันง่ายนิดเดียวแกรู้เลยว่าเงินเดืนดีแสนหนึ่งไปนู่นนู่นไม่ต้องไต้อไม่ต้องคิดเลยอะเยี๋ยว่าจะช่างนะไม่ต้องคิดเลยแต่สําหรับคนอิอติยออละเชื่อฟังอัลลอฮฺสุลท่ามันไม่มีคําสั่งชัดตรงนี้อนะจะไปสมัครตรงไหนอะถ้ามันต้องช่างอะอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันจะเชื่อฟังอัลลอฮฺลมากกว่าที่อยู่ตรงนี้เห็นไหม เราได้เชื่อฟังอัลลอราซุนนหมายถึงว่าให้ชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยพ ร, พร้อมพร้อมที่จะเปลี่ยนตามที่อัลลอฮูเราซุนแนะนงเราทำธุรกรรมด้านการเงินมีดอกเบีย้ยมีอะไรเอาไม่รู้พอรู้แล้วทำอะไรเลิกเราพร้อมที่จะเลิกเฮ้ยเลิกเธอเลิกนี่เก็ยุ่งสิ รถเบนก็ซื้อไม่ได้รถไอ้บ้านรูสองสามชั้นก็ซื้อไม่ได้งู่นก็ทําไม่ได้นี่ก็ทําไม่ได้การชั่งน้ําหนักสําหรับผู้ศรัทธาก็มีนะผู้ศรัทธาที่เขาชั่งผู้ศรัทธาเนี่ยก็หมายถึงมุสลิมมาทะศรัทธานี่แหละแต่เขาชั่งตาม สากลนะก็อย่างที่เห็นกันนะช่างตามมาตรฐานสากลน่ะเลือกในสิ่งที่มีความสุขถึงแม้ว่ามันสวนทางกับสิ่งที่อ AH ัลลอฮฺเราดูลเลสั่งไว้เลือกในสิ่งที่มีความสุขถึงแม้ว่ามันสวนทางกับสิ่งที่อ AH ัลลอฮฺเราดุลเลสั่งไว้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดและผมคิดว่ามันเป็น มันน no ่าจะเป็นสึกสึกที่หนักที่สุดของมนุษย์ทุกคนในเรื่องเชื่อฟังอัลลอฮฺเราซูลเนี่ยการที่จะปรับอารมณ์ของตัวเองนับสู่ของตัวเองบิดนับสู่ของตัวเองนให้มาฟังให้มาเชื่อฟังอัลลอฮฺเราซูล อันนี้นยากก็สุงอยากี่สุ ด, สดคือต้นเหตุต้นเหตุของบาปทุกชนิดะนะต้นเหตุของการฝ่าฝืนและการศาสนาทุกอย่างเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่สองอย่างหนึ่งนับสู้สองไรตน้น สตัวตัวแรกคือนับสูตัวที่สองก็คือใช่ตอนอันที่จริงใช่ตอนนั่นก็ขึ้นอยู่กับนับสูใช่ตอนนี่มันจะดูว่านับสูของเราเนี่ยแบบไหนถ้าว่านับสูนับสูของเรานี่ คือนับสูของมนุษย์ทุกคนนี่นะเป็นเป็นนับสูที่จะสั่งให้เราทําความผิดตลอดอันนี้คือสันดานของนับสูทุกคนทุกคนนะอัลลอฮฺอินนั่นเฟซัลอัมม่ารตุบิสูไม่มีนับสูที่จะเชิญชวนเชิญชวนไปทําความไม่มี อ้าวแล้วบางที่เนี่ยบางทีเราก็ทําความดีแบบแบบสะดุดีเลยนะแบบไม่ไม่ขัดใช่ยามที่เราได้ทําความดีโดยนับซูเราเนี่ยไม่ไม่ขัดขืนไม่ฝ่าฝืนนั่นนะ่ะนับซูนมันเหนื่อยกับเราแล้วอ่ะกูเหนื่อยกับคนที่ะเหนื่อยแล้วอ่ะแต่มันไม่สิ้นหวัง เราจะถึงจุดที่สามารถคมเหงนับสูของเราให้มันตามเราไม่ใช่เราที่ตามมันถ้าแบบนั้นเนะ น, นี่เชั่ตอนเนี่ยก็จะสิ้นหวังหรือไม่ที่สิ้นหวังก็ก็หมายถึงว่าก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่านับสูของเราเรามีเราก็ถามนับสูเลยเอ็งเอาย่างไง เองว่ามันเลยจะจัดให้จัดจัดให้เต็มที่เลยจัดเต็มเลยถ้าเราจัดให้น้ำซุนะนะจัดนะเชตตอนเนี่ยเชตตอนนี่กระแพกแพกเนเราก็จัดไปเชตตอนแพกเราก็จัดไปโอ้ยส <laughs> ิงเชตตอนเชตตอนไม่มีอํานาจใดๆอันนี้เชตอน ชั้อนนี่ไม่เหมือนดัชหานะลายทถลงการ์นะมีแถลงการ์เดียวอ้นเกยมามีแถลงการ์เดียวในสุริยบุรห์ว่าก้าลชั่ ا ل ้อน ي ั ال ا มม م คุ้ดี้ลชั้นแถลง لما ม ض าคุ้พอเร่งเสร็จสิ้นแล้วทุกอย่างนี่ประจักษ์แล้วสวรรค์เห็นแล้วนรกเห็นแล้วทุกอย่างลั ل มมาคุ้ดี้ ا ل มรูอินนั่นแหละที่พระเอ้ ا สัญญากับพวกเจ้าอันเป็นสัญญา ที่เป็นความจริงว่าตุกุมเฝอัลลฟตุกุมและฉันได้สัญญากับพวกเจ้าและฉันได้พิดสัญญากับพวกเจ้าว่าไม่เคยมีอะไรให้พวกเจ้าและตอนนี้ฉันสัญญากับพวกเจ้านี่ฉันไม่มีสุลตานไม่มีอำนาจใดๆสุลตานสุลตาน وما كان لي عليكم من سلطان، لَنْ م ي أ م ن َ د د ا ء ك ب ك إ ل ا أ ن د ع و ت ك م و ا ن ت ش ن ْ و ا ن ب و ن س ت ج ب ت م ل ي ب و َ ك ن ْ ك َ ف ك َ ف ك ا ما م ما ما ما م ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ا ما ما م م ใหชวนฉันไม่ได้เอาโซ่มามัดคอไม่ได้เอาเชือกมามัดมือแล้ลกวก็ลากพวกจากมานี้มาทำบาปมาทาําความชั่วมาหนี่ไม่ทำเ ด, ดี๋ยวเคยไหมเวลาทําบาปกรู้สึกว่าโดนกระชากไปเคยรู้สึกแบบนั้นไหมถ้ารู้สึกแบบนั้นนั่นะมีหินเข้าเนี่ย น, น, น, นั่นต้องเป็นอีกอย่างนะอันนั้นต้องไปรักษาออย่างหนะึ่งแต่ชี้ตอน แตชอนนี้มันเข้ายินนี่มันเข้านะมันยินที่มันเข้านะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะกระช่าให้ทำบาปเหมือนกันชตอนบอกว่าอิบลสอามากะียอะกมีสุนอิลลั่นดะอุตุคุมฟัสตจบตุลฟลาตลูมูนิวลูมอัมฟุสกุมเฮตมณิฉัเลยพาวันกยมาณะ ทุกคนน่ะนี่สันดานของมนุษยน่ะยนผิดให้คนอื่นเอาดีใส่ตัวเองใช่ไหมพอละหมาดฉันละหมาดพอทำบาปแบบมันนะ่ะเอ้เาพอเรื่องบาปพอละหมาดยกูละหมา ด, พ อ, มาดพอทำบาปบมันน่ะมันชวนกูเ้ียแล้วเลตลูมูนีอย่าตำหน้ฉันเลยลูกมวอ่ำฟุสกุมตำหน้พวกเจ้าเนี่ยะ มาอันบ่มุสลิริกุมฉันช่วยพวกเจ้าไม่ได้แล้วว่ามาอันตุมบ่มุสริขีและพวกเจ้าก็จะช่วยฉันอะไรไม่ได้แล้วค่าของของคำสั่งให้เชื่อฟังอัลลอฮฺเราซูลคุณค่าของมันเนี่ยคือจงเชื่อฟังอัลลอฮฺราซูลก็หมายถึงว่าอย่าเชื่อฟังคนอื่น ถูกต้องถูกต้องอาแล้วก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังผู้นำไม่เชื่อฟังบังไม่เชื่อฟังอาจารย์เชื่อฟังได้แต่ถ้าผู้นำถ้าอาจารย์ถ้าพ่อแม่เนี่ยสั่งอะไรที่มันไม่ขัดกับคำสั่งของโโล้อฟังได้เลยหรือคำสั่งของพอ่อของแม่ของผู้นาของอาจารย์นะ่ะนะ มันไม่มีเนื้อหาสาระที่มันสวนทางในคําสั่งสอนของศาสนาไม่มีไม่มีสาระที่มันจะสวนทางกันก็เชื่อฟังได้แต่ถ้าสวนทางกันละ่ะฮะคาสั่งตรงนี้เนี่ยมีคุณค่าเท่ากับว่าอัลติออรลาฮ์รัสุดเชื่อฟังอัลลอฮ์รัสุดและอย่าเชืฟังคนอื่นซึ่งบทบททดสอบตรงนี้ มันก็คือที่เราต้องทําตัวหล่อชีวิตนั่ละที่จริงชีวิตของเราอะนะก็กกทดลองตัวเองในเรื่องนี้แหละเสียบฟังเลาเหรอเรกระสูดนะแล้วเราใช้ชีวิตอยู่กับคนไงนะเราใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนู้นก็สั่งคนนู้นก็ขอคนนู้นกท็ทําคนนู้นก็ชวนคนนู้นก็นะแล้วเราหน้าที่ของเราเนี่ยก็ต้องดูไอ้ที่เขาชวนไปเนี่ย มันตรงกับที่เราสั่งหรือเปล่าตรงเดียวนะถ้าตรงได้ให้ความร่วมมือได้ถ้าไม่ตรงไม่ต้องขอมาอับดินะแตเราก็คนมาม า, ม า, ม, ามากินเล้ากันขอมาอับจริงจรมันบน้ไม่ต้องขอขอมาอับ บางทีเนี่ก็มารายาทสูงจังเลยไม่สิ่งที่อัลลอ์ที่อัลลอ์ห้ามเนี่ยแล้วแตคนอื่นเขาชวนนีไม่ต้องไปขอมาไปไกลๆ ไ, ไปนโน่ะไปไกลๆเลยจะทำอะไรก็ไปน่นเน่ยไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยไม่ใช่ว่าผมเกรงใจบางแต่อ้ขอมาอับจริงๆมันมันมันมันบาปอะตูวหันห้ามไย โอ้โหทรมานเหลือเกินที่ไม่ได้ฟังบังเขาอะยังไงเราทรมานที่ไม่ได้เชื่อฟังอลอเลสูน่ะนะเขาชวนเราไปทำความชั่วที่จริงเราเราต้องภูมิใจเราเราต้องมีความแข็งแกรง่งในการที่จะปฏิบัตินะแล้วก็มีความหวงแหนนะสงสารเ็าด้วย เขาชวนเราไปนะไม่ใช่ไปขอมาอับเขาเลยคื อ, อมันแปลกมันแปลกจริงๆอะ่ะไอ้คนที่เขาบังอาจนะมาชวนเราทำบาปนะเขาไม่เกรงใจเรานะความบังอาจที่เขามามาลากเรามาชวนเรามาขยันขยอไปทําความชั่วเขายังไม่อายแล้วเราจะไปอายเขาทำไมล่ะเอแปลกนะ อัลลอฮ์สั่งให้เราทําอะไรบางทีเราไม่ทําเฉยเลยไม่เก่งใจอัลลอฮ์เลแต่คนอื่นสั่งให้เราทําความชัว่วบางทีก็เก่งใจทําความชั่วเพรเก่งใจเราอันนี้มีเยอะในสังคมเยาวชนเยาวชนเยอะเลยนักวิชาารผมเรื่องหนึ่งแฟนระบบแฟนมีแฟน คเล่ะเขาไปรู้จกักเขาตอนที่ไม่รู้ไม่รู้หลกักการศาสนาแล้วก็รู้หลกักการศานาไอ้ islam ไม่มีระบบแฟนนะไม่คุยกับผู้หญิงผู้ชายแบบนี้ไม่ได้นะถ้าชอบกันก็แต่งงานกันเลยถ้าไม่มีความสามารถนี่ก็รอกันถ้าอยากจะคุยกับเขานี่ก็หนุ่มไปคุยกับมาร์ัมาไปคุยกับข่อแม่ มันมันมีความลับมันจะไปคุยต่อหน้าพ่อแม่เขาเด้งไงท่านไหนที่ทไหนที่มีความลับแล้วก็ไม่กล้าคุยตอบพ่อแม่เขาเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องดีไหมละ่ะบางอย่างอยากจะพูดนี่อยากฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยจะไปพูดต่อหน้าได้พูดได้พูดได้ไม่บ่าปพูดต่อหน้าพอต่อหน้าพ่อแม่เขา บางีผมผมรักลูกสาวนะครับเออแบบเป็นแม่นนะ่ะแบบแมนแมนนะ่ะไม่ชอบไม่หลอกลูกสาวชาวบ้านเขาอะฮะไล่เขาไปหาเขาอนะเหมือนลูกเตสเบ้เลยฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธ อ, เธอและพอถึงจริงได้จะได้แต่งงานสักทีหนึง่งฉันไม่พร้อมฉันไม่พร้อมฉันไม มันลูกเตศเียเลยไอ้ที่เราไม่กล้าพูดต่อหน้าผู้ใหญ่เนี่ยพราะเรารู้แต่ว่าคําพูดเป็นนายไงใช่ไหมรักจริงเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ว่ารักจริงหรือเปล่าก็คือพอถึงเวลาแล้วรู้ว่าเออแบบนี้คุยกันแบบนี้ไม่ได้คุยแบบลับๆนี่ไม่ได้เราเคยมีอะไรส่วามจริงเราจะทำยังไงอย่างเราคุยกันเป็นปีแล้วอะ เขาบอกเขาเขบอกเขาเดีว่ามันผิดโอ้โหเขาดิความหวังผมสงสารเขาอะไอทีตอนทําบาปกับเขาอ่ะไม่สงสารเขาอ่ะเท่ากับเรากระช่าเขาเข้านรกอะไม่สงสารเขาอะไอทีตอนจะเลิกให้เขาให้เขาดีนี่ยเลิกความชั่วเนี่ยดีสําหรับเขาอะะดันสงสารเขาอ่ะ บุตรอีกแน่เนคนเราคิดแบบนี้แล้วคำว่าเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังคือมาตรฐานชีวิตของเราอ่ะเราอยากเอามาตรฐานของคนของกระแสของรสนิยมในสังคมเนี่ยเขายังไงนี่เนี่ยเนี่ยที่สอบบเคได้กันเจ้าฮิลีย์ อไรอไรที่มันไม่ใช่ของอัลล์รซูลนยะทไมอไรที่ไมให้เราทิ้อัลล์รซูลเยะคุมาร์นี่คสั่งของอัลล์ถ้าไม่คุมเนี่ยอัลล์กบรุล ا ل ยะติลอลเพราะอะไรเาะไม่ได้สั่งให้เป็นแบบนี้ นี่แค่เรื่องอัติยุห์ละห์อัลลอฮาหลายอายะหลนหลายสุรานี่คุรอานก็มีเรื่องนี้ใช่ปอ่ารอายะนี้เนี่ยเราต้องต้องซึ้งในความหมายนะอย่าอย่าสรุปง่าง่ายอ๋อใช่ปะคับคับครับคับคับเอาเอาอะไรมาพิสูจน์ กับตัวเราว่าเราเชื่อฟังอัลลอฮรุสูลเชื่อฟังอัลลอฮรุสูลในสิ่งที่อัลลอฮ์จะนี่ผมบอาบางอย่างเนี่ยเอาเอาตัวพิสูจน์ง่ายๆก่อนที่เราพิสูจน์ง่ายๆสมสมมตินะครับสมมุติว่าเราชอบดูบอลชอบดูบอลมันมีอยู่ครั้งหนึ่งบนโลกบนโลกนี่มันมันมาช่วง เขาเล่นกันนู่นน่ะเขาเล่นกันชตอนเย็นในบ้านเรานี่ก็สุโบ่เลวโบลว่ั่นก็บนนี่จะไปซื้อนาฬิกาปุกตื่นสบนบราซิลกับอาร์เจนตินานี่วจะนี่ยคจะซื้อนาฬิกามาปลุกตื่นแล้วมาเกียมุลเล่นม มาต bon, e yup. ah. ื่นดูบอลดูบอลทีสี่พอตีห้าแล้วนี่อาซานอูก็ก็จะยิงเขาดูและอาซานนเนี่ยนี่คือบททดสอบที่รุนแรงที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะชีวิตของเราอาจจะเจออะไรอย่างอื่นนะอาจจะเจออะไรอย่างอื่นนะของชอบกินอะไรอย่างเงี้ย อ่าผมเคยเจอบ้าเราเนี่ยภาคกลางเนี่ยก็เรียกกันเข้าหมากบางคนเนี่ยชอบชอถ้าถ้าสามจังหวัดเนี่ยผมไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่เป็นเข้าหมากจริงนะคือเข้าหอเหมือนหมากเลยอะแล้วแล้วถ้ากินนะมันซาเนะ่ยเหมือนเข้าวหมากในกินละซาหนะอันนี้ที่ซาในีอะไรอ่ะนะ แอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์นี่คือเข้าหมากนี่เข้าหมากนี่กินถ้วยหนึ่งไม่เมาแต่ถ้ากินถังหนึ่งอะเมาแน่โอเชกใครจะกินถังหนึ่งใครบ้าจะกินเข้าหมากถังหนึ่งอา้าวแล้วก็กินเหล้ากินเหล้าอึกหนึ่งอะเมาไมไม่เมาบ้าไหม ว่มาอสการะค ثير ุ่ห์ฟัควิลุห์อะไรที่จำนวนมากของมันน่ะถ้าไม่เมานะ่ยจำนวนน้อยของมันน่ะบาปเอ็มดูตีมได้บอกว่าเนีย่ยเอาเข็มเอาเข็มเนี่ยมาจิ้มในเหล้านะจิ้มในเหล้าวาแตะลิ้นในเงี้ยบาปใหญ่ละ ถ, ถือว่าได้ได้ทําบาปใหญ่ละก็คือกินเหล้าถ้าเป็นเลน เอาคุบวกวาเบียร์นี่มากกร่าทำไมเออิ่มบีกินบียรวนึงก็ไม่เมาแล้วแล้กินกี่ขวดแล้วเมาอแต่าห้าขวดหก ส, สิบขวดนี่กว่าจะเมาโอ้นี่เป็นอะไรเนี่ยรู้ไห ม, มล่ะบางคนเนี่ยกินไอ้สิบขวดนี่กินแล้วไม่เมาไม่บาไงแต่ไม่บาใช่ไหมไี้มันไม่เกี่ยว ตัวเครื connect, glass, aha, taman, ่องดื่มนั่นน่ะเครื่องดื่มนั่นน่ะหรืออาหารนั่นน่ะมันฮารอมอ่ะนะจะน้อยจะมากี่มันก็บาปเข้ามากันบางคนจะชอบกินบางคนจะชอบกินมันซาไหมล่ะซาซาเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรฮะ แอลกอฮอล์ไม่รู้วแอลกอฮอล์นี่มันมาันมาอย่างไรอะนั่นนะที่จริงเนี่ยชื่อมัน่ะคือเข้าหมักไม่ใช่เข้าหมากชื่อแท้ของมันอะแล้วทากับพวกเขากินกันไปกินกันมาแท้เี่ข้าหมักเข้าหมักมันเข้ามาอันนี้ที่มาที่มาของ คงเชื่อมันก็เลยมันก็เลยมีมัดหน่อยมีมัดมันก็หมกักก็แหละเอาข้าวนี่มาหมักแล้วเอาข้าวนี่มาห่อนี่มาหมักนี่ยเนี่ยเนียดนั้นเน่ยมันหมากมันหมากจริงนะทีสามจังหวัด น, นี่เหมือนเหมือนหมากเลยอะแต่เขาไม่ไม่เอาใบมากินนะนะเขาเขาแก่หอนะก็กินข้าวซาซาเหมือนเหมือนเหมือนน้ำซาเลย บางคนน่ะชอบนี่นะอาหารอะไรที่เราชอบบททดสอบพอรู้พอรู้พอรู้ว่ามันมันไม่ถูกต้องใครบอกนี่อาจารย์คนนี้บอกเดี๋ยวคันอาจารย์กอเขาบอกว่าบาปเดี๋ยวคันูอาจารย์ขอก่อนอาจารย์ขออาจารย์ขคอาจารย์โอาจา บาไม่บาปเดี๋ยวก น, นบาปฉันบนถามีนั่นแ่ะจนฟัตววทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ได้เดี๋ยวก่อนอุลมายะเดี๋ยวไปทำอร ต, ต้องไปถามคนมอุล玛จ ค, คือใจเนี่ยใจเนี่ยมันมันมันปับปับกับสิ่งที่ชอบแล้วไม่พร้อมที่จะทอด ทิ้อันที่จริงแล้วมันง่ายนิดเดียวนะง่ายนิดเดียวมีผู้รู้บอกว่าบาปเอยแท่านั้นพาควยก่อนพาควยก่อ น, อนแล้วก็ศึกษาไปไออย่างนั้นนะแฟนะ่อย่างนั้นนะพอทําเราพาควยก่อนเนี่ยเพิ่งกินถ้าถ้าถ้าบาปจริงจริงะยุ่งนะ แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆเผื่อจะมีอาจะจะมีทัศนคติก็เป็นไปได้จริงกับเป็นไปได้แล้วก็มีด้วยมีมีผู้รู้ที่เขาบอกว่าเข้าหมากนี่กินได้ไม่ปฏิเสธแต่ผมแค่ยกตัวอย่างเท่านี้บางอย่างเนี่ยที่ใจเราเนี่ยพอชอบแล้วก็ไปปักปักกับมันแล้วอะนะแล้วเราไม่พร้อมที่จะเชื่อฟังอัลลอฮฺละซูลเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยที่จะหาทางออก ทีนี้อ้เองเชื่อฟัง อ, ลอัลลอฮฺราซูลอย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีมุมกว้างมุมลึกที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจทุกมุมแล้วเอามาปรับบรรทัดฐานชีวิตของเราคือให้เรามีความพร้อมในการเดชเชื่อฟัง อ, ลอัลลอฮฺราซูล ยามสงครามนะซึ่งซึ่งสูเราะหฟลเนี่ยถูกประทัลงมาในในสงครามบัตรยามสงครามเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะกำชับในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสองครามคือเรื่อง เรื่องที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังรัซูลและเกิดความแตกแยกซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดพยยามพิจารณกศัตรูนี่นะแล้วก็มาขัดแย้งกันเราจึงบอกเอาละนาอูะสลูะเต้บริุและตุนยาขัดแยงกันจะทําให้พวกเจ้าย่อท้อ ขัดยงตนน้ฟชลชลูฟชลีฟชลนาอก็นหมายถึงว่าหมดกาลังใจอ่ะแล้วคนที่หมดกาลังใจก็จะไม่กล้าสู้กับศัตรูชจ ยามสงครามยามสึกทุกศึกนะไม่ไม่ต้องสงครามที่เป็นรูปธรรมนะทุกศึกสู้อะไรสู้กับอะไรอ่ะสู้กับเชอต่อสู้กับอารมณ์สู้อย่าได้ให้มีความขัดแย้งอย่าให้มีความขัดแย้งกับคนอื่นอย่าให้มีความขัดแย้งในตัวเราในตัวเราเนี่ยฮะตัวเราเนี่ยเนี่ยอย่างเรื่องอย่างเรื่องเข้าหมากเข้าหมากเนี่ย เพราะในนับสูขเราเนี่ยมันก็มีขีลาฟมันก็อลามเขาก็มีทัศนัหนีความขัดแย้งแหละจะเลิกได้ไหมเลิกไม่ได้เพราะนับสูของเราเนี่มันแตกแยกกันแล้วแตกไม่มีเช้นดีแล้วนี่ได้ินก็หูเองเลยนะคนในเวลาเขาจะอยากได้อะไรอ่ะก็หาเหตุผลให้ได้ กินเ ล, ล่านี่มันบาปไหมบากินเล่าขมัดเนี่บาปนะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าไปเรียนมองโลกมองนอกหนาวโคตรหนาวเลยเขาก็กินเหล้าอา่ากินเล่าได้ยังได้ดิกินเล่าหนาวอะ่ะสมัยนะบีนะีนะ่ะมาดิน่านี่ก็ น, นาวนะ่ะ มาดินากระนาวนะอัลลอฮ์ก็รู้นะว่าโลกนี้เนี่ยมีประเทศหนาวอ่ะนะและการที่จะให้อบอุ่นเนี่ยมันก็ไม่ใ่มีวิธีเดียวนี่ที่ไม่ใช่กินเหล้าอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็โอ้โหแต่คนอยากจะอยากจะทำะเขาก็จะเขาก็จะหาเหตุผลเหตุผลเนี่ยคือความเตกแยก ในตัวเราความที่เราไม่เข้มแข็งในการเชื่อฟังอัลลอฮฺ ر س ใจหนึ่งอยากจะไปตามอัลลอฮฺ ر س แล้วก็อีกใจหนึ่งก็อยากจะทำเรื่องนั่นน่ะมันแตกแยกไปข้งางในเนี่ยมันไม่เป็นชิน้นเป็นก้อนและทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้า หมดไปว่าจะเดบรีฮุกุมนี่เป็นสำนวนในภาษาอังกฤยเนี่ยเดบารีฮุกุมะเดบารีหมดไปรีฮุกุมรีเนี่ยแปลว่าพายุรีเนี่ในภาษาอังกฤษแปลว่าพายุอแล้วก็มาเขามาแปลว่าความเข้มแข็งเนี่ยเพราะมันเป็นสำนวนคือพายุเนี่ยมันรุนแรงมันรุนแรงในสำนวนในภาษาอังกฤษเนี่ย เรี ย, รยคนที่มีเรียนี่คือคนที่มีความเข้มแข็งความแข็งแรงก็เท่ากับบอกว่าถ้าพวกเจ้านี่ขัดแย้งกันแตกแยกกันนะก็จะไม่เข้มแข็งยามที่ทําศึกทําสงครามเนี่ยต้องเป็นอันหนึง่งอันเดียวต้องเป็นบึกแผน่นแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยบอกกับพี่น้องว่า ศึกที่มันเป็นรูปธรรมก็คือสงครามที่มีการสู้รบฟันเอาดาบมาฟันกันเอาหาอกมายิงกันธนู ม, มายิงกันนะ่นะนะเอาเปืนมายิงกันเอาจารวดมายิงกันนั่นนะั่นะนะ่นะคือศึกที่มันเป็นรูปธรรมนะแต่มันไม่ได้มีศึกรูปเดียวรูปแบบเดียวในโลกนี้มันมีสงครามมันมีศึกหลารูปแบบ ที่มันร้ายแรงในปัจจุบันนี้เนี่ยสงครามด้านความคิดสงครามด้านความคิดศัตรูอิสลามแทนที่จะแทนที่จะสร้างรถถังแทนที่จะเกณฑ์ทหารกองทัพสักก้อนหนึ่งมายึดดินแดนของเราเนี่ย เขาเขาบอกว่ามันมีคุ้มทำหนังมวนเดียวที่ส่หเขาดูหนังเรื่องเดียวให้นักร้องเนี่ยร้องเพลงเพลงเดียวแล้วก็ไ ป, ไปให้นักร้องเนี่ยไปทำคอนเสิร์ตสักครั้งนึงครั้งเดียวเขาฝันที่จะเข้ามายึด ดินแดนแผ่นดินฮารอมนี่มานานยาวนานแล้วมากะมาดินาเขาฝันที่จะให้ประชากรที่ดินแดนมัสยิดฮารอมกับมาดินาเนี่ยทิ้งมสิดฮารอมทิ้งมาดินาเนี่ยนะและ้วเขาไปยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเขาฝันมานานแล้ว แล้วก็ส่งกองทัพส่งอาวุธไปเยอะหลายสงครามตลอดพันกว่าปีเนี่ยไม่ประสบความสาเร็จแต่ส่งนักร้องคนหนึ่งไปที่จิดดาห่างจากมักกะประมาณเจ็ดสิบกิโลชาวมักกะชาวจิดดาเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยทั้งหนุ่มสาวนะเฮกันไปฟังเป็นหมื่นนะนั่นนหะเขาบอกว่ า, วาอันนี้เนี่ยเราชนะสงคราม ไม่ดียิงไม่ได้ไไดลงทุนด้วยนะจ่ายตังค์ให้เขาด้วยนะจ่ายตังค์ด้วยนะเ<ม>นี่ยสงครามที่มันแรงอะไรที่มันรุนแรงกว่าไมยาวสงครามแบบนี้เนี่ยเราต้องการความเข้มแข็งยังไงอย่าความเข้มแข็ง ในขณะที่เราจะเชื่อฟังอัลลอฮ์รัสูลแต่เราแตกแยกกันด้วยเหตุผลเชื่อฟังอัลลอฮ์รัสูลนี่เป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนต้องคิดในสังคมมุสลิมมาแล้วนะในสังคมมุสลิมคนที่กินเล้า คนที่เสียีอาคนที่เขาสนิทกันในเรื่องธรรมบาปนี่นะเขาไม่แตกแยกเขาซี้กันมากนั่นเลยเพื่อนตายเลยแต่พอคริ่งศาสน า, ญญาละก็นั่นแหละนี่เก่านี่ใหม่ฮึมนี่ด่าวะนี่รุ่น พอรู้สัสน่แล้วก็แตกยยกเออแปลกนะแต่ตอนกินเล่าด้วยกันไปเลยเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนซิเป็นหยังไงเป็ังงั้นลุยนี่ตอนตอนทำบาปด้วยกันนั่นะไม่แตกแยกเออแปก จุดบอดมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ว่าเราเข้าใจศา ส, ะสะนาผิดหรือเปล่าอยู่ที่ว่าเรามองพี่น้องของเราอย่างไงเรามองคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราในเรื่องศาสนะในเรื่องความคิดในเรื่องอะไรไปอ่ะมองว่าเข้าเป็นใครเพราะเรากําลังทาศึกกับศัตรู ที่มุ่งทำลายสลามนนะคนที่จะเป็นทหารทำศึกตรงเนี้คุ้มครองปกป้องสังคมเนี่ยก็คือคนที่รู้เรื่องศาสนาฮหเราได้แล้วละ่ะคนที่เชื่อฟังอลาาัลลอฮฺ رسول เชื่อฟังอลาาัลลอฮฺละ رسول เนี่ยเราอย่าคิดว่าคนที่เชื่อฟังอลาาัลลอฮฺละ رسول มีคนเดียวฉันนี่เชื่อฟังแล้วคนนั้นนะคนนั้น มันเปนมันมันบิดาอันนี่ก็ว่ารู้ก็บิดารุ่นพวกรู้พวกเขานี่พวกนี้พวกใหม่แล้วท่าและต่างคนก็อ้างอ้างละการศาสนาแลว่อไรเมื่อไรจะยืนซอกเดียวกันนะนะเผชิญหน้ากับัตรูล่ะ ดังนั้นดิอัลลอฮฺอินนั่ลลอฮฺยฮิบุลลีน่ยติลูนฟน سبيل ให้ซับฟันอัลลอฮฺทรรักทรงโปรดปรานผู้ที่ต่อสู้ในหนทางโรมซับฟันซับเดียวกันเราจะสู้กับศัตรูเนี่ยคนละกลุ่มกันคนละก้อนกันนะะไม่ได้ง่ายเหลือเกินสาหรับศัตรูเนี่ยง่ายเหลือเกินยึดศาตรในการทำสงคามมนนะ มึงมึงเสร็จเลยจบแต่เป็นปึกแผ่นเดียวนี่นี่คือนี่คือเรื่องคือผลที่เราต้องได้มาจากการที่แล้เราเข้าใจว่าเชื่อฟังอัลลอฮฺอัลลอฮฺรัสูลแล้วไม่แตกแยกกันเพื่อสองคาพระคุณเพื่อจะได้เป็นบึกแผ่นในการประชิญหน้ากัษตร์ครูในทุกรูปแบบสงคำทุกรูปแบบ แต่พ้าบริรักษความแตกแยกทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไปความเข้มแข็งที่เกิดจากการเชื่อฟัง อ, อรรสุลทาไมอะ่ะมันหมดไปหมดไปกับอะไรหมดไปกับความแตกแยกแทนที่จะสะสมความเข้มแข็งจะได้ไปสู้กับศัตรูนะ ปรากฏว่าเรานี่มากุกกุศตรูขึ้นมาในหมู่คณะของเราเราเจอศัตรูนีวัดดีเราเจะอะมุสลิมด้วยกันนะนะเพราะใส่บวกไม่เหมือนกันบางทีนี่แค่ใ ส, ส่บวกสาะบัิไม่เหมือนเดีก็รู้ละบวกแบบนี้เอาพวกกล สถาบันไม่ไม่ไม่เหมือนกันแค่นี้ทำทำไม่ไม่เห็นไมเห็นหน้าความเข้มแข็งที่ได้มาจากหลัการศาสนามันจะหมดไปกับอะไรกับความแตกแยกแทนที่จะมาใช้ความเข้มแข็งในการที่จะปกป้องศาสนาปกป้องสังคมมันหมดไปกับการโต้เถียงคนมารมดกับการมด่าคนมมคนมมูนดด้นว่าคนนู้น มรนนาอุกนแล้วไม่อท่ใช้ในการที่จะดูแลสังคมอสบิรูการที่จะเข้าใจเรื่องเนี้ยมันต้องใช้ความอดทนให้ความมาณนะอดทนเพราะเหตุผลต่างๆที่นับสูอารมณ์ของเราจะจะอ้างบ่อยเนียมันมันจะมีเยอะถ้าเราไม่อดทน น, นี้ีท้อน่ ต้องอดทนอดทนกับเหตุผลของความเป็นจะมาความเป็นปุกเป่นมันมีเหตุผลเยอะทีนักสู้ของเราเชียรตอนของเรานี่ก็จะมาอ้างใค้คนนี้อย่าไปยุ่งกับมันทาไมดูนี่มันไม่ทำแบบนี้มันไม่ทำมันถูกอะไรใหญ่แบบนี้มันใช้ไม่ได้เรื่องเดียวนะ เรื่องเดียวนะแต่พอคนนี่คนละศาสนากันเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใชศาสนาคนละศาสนากันเลยนะจับมือกันเอ้ยแล้วที่จับมือได้อะจับมือได้ถึงแม้ว่าคนละศาสนากันเราเป็นพาหุสังคมพาหูวัฒนธรรมผาหูวัฒนธรรมจับมือกันได้เอาแล้วกับพี่น้องเราจับมือไม่ได้อะ่ะ จับมกันจับม pues. ือ<リ>ก <az ement> ันจับมือกันอะไรที่อะไรที่ตรงกัน <o> ก<realms 式>็ก็เหมือนน่ะเหมือนที่เราอ้างกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราจะมือกันได้ช่วยกันได้ในสิ่งที่มันไม่มีหลักการศาสนาก็ช่นเดียวกันที่เรา穆斯มของเราอ่ะทำไมอ่งตกตะก้าไปทำไมอ่ะก็ตะก้าเดียวกันเลยอะไรที่ตรงกันก็ช่วยอะไรที่ไม่ตรงกันก็ไม่ต้องไม่ต้องทำกันแค่นั้นเอง แต่นีไม่เลยไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ทำแบบนี้เนี่ยไม่ต้องมาฝังกูโบนี่ละและสังคมของเราต้องใช้ความอดทนทุกทุกทุกระดับนะระดับผูนำ้ำระดับผู้ตามต้องต้องใช้ความอดทนอินนัลลอฮฺลลซาบิรินแต่จิงอัลลอฮนั้นทรงอยู่กับผู้ที่อดทนทั้งหลาย ความหมายของตอนนี้เนี่ยก็อธิบายหลายรอบแล้วนะครับก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับบุศอลลัลลอฮุอะลัยนบีนามุฮัมมัดวะลัอาลัฮฺอุซามีอุสแลมสลามุอะลัยกุมุรรห์มะกุลลอฮ